บรรดิตทั้งสี่เหล่านั้นปรึกษากันอีกว่าบัด น, นี้มโหสถบุตรคฤหบดีมียศใหญ่นักเราจะทําอย่างไรดีลำดับนั้นเสน ก, กะจึงกล่าวกับบัณฑิตทั้งสามว่าการที่เขามียศใหญ่นั้นยกไว้เถิดเราเห็นอุบายแล้วเราทั้งสี่จะไปหามโหสถถามว่าควรบอกความลับแก่ใคร ถ้าเขาจักบอกว่าไม่ควรบอกแก่ใครซ้ายเราทั้งหลายจักทูลยุโยงพระราชาว่าคารุหบดีบุตรผู้มีนามว่ามโหสถเป็นข้าศึกของพระองค์บัณฑิตทั้งสามเห็นชอบด้วยบัณฑิตทั้งสี่เหล่านั้นจึงไปเรือนมโหสถทำปฏิสันถลแล้วกล่าวว่าแน่บัณฑิตเราทั้งสี่ใครจะถามปัญหาท่านครั้นมโหสถให้ถาม เซนกะจึงถามว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรมโหสถตอบว่าควรตั้งอยู่ในความจริงเซนกะถามว่าผู้ตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรทำอะไรมโหสถตอบว่าควรให้ทรัพบสมบัติเกิดขึ้นเจนกะถามว่าให้ทรั์สมบัติเกิดแล้วควรทำอะไรมโหสถตอบว่า ควรคบมิตรเจนกะถามว่าคบมิตรแล้วควรทำอะไรต่อไปมโหสถตอบว่าควรเรียนความคิดความอ่านจากมิตรเจนกะถามว่าเรียนความคิดอ่านจากมิตรแล้วควรทำอะไรอีกมโหสถตอบว่าการได้ความคิดอ่านจากมิตรนั้นถ้าเป็นความลับไม่ควรบอกความลับของตนแก่ใคร บัณฑิต ท, ทั้งสี่ก็รับว่าดีแล้วแล้วลากลับเป็นผู้มีจิตยินดีคิดว่าบัดนี้เราทั้งสี่เห็นหลังมโหสถละแล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าถ้าแต่พระมหาราชเจ้ามโหสถเป็นกบฏต่อพระองค์พระเจ้าวิเทหราชตรัสห้ามว่าเราไม่เชื่อท่านทั้งหลายมโหสถจักไม่เป็นกบฏต่อเรา บัณฑิตทั้งสี่จึงกราบทูลว่าจริงนะพระเจ้าค่าพอได้ทรงเชื่อก็ถ้าไม่ทรงเชื่อจงตรัสถามเขาดูว่าความลับของเขาเขาไม่ควรบอกแก่ใครถ้าเขาจักไม่เป็นกระบทต่อพระองค์เขาจักทูลว่าควรบอกแก่คนชื่อนั้นถ้าเขาจักเป็นกระบทต่อพระองค์เขาจักทูลว่าไม่ควรบอกแก่ใครใคร ในเมื่อความปรารถนาสําเร็จจึงควรบอกในการนั้นพระองค์จักทรงเชื่อข้าพระองค์หมดสงสัยพระราชาทรงรับจะทดลองวันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้งห้ามาพร้อมกันจึงตรัสคาถานี้ในปัญจะปันดิตะปัญหาในวีสตินิบาศว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตทั้งห้ามาพร้อมกันแล้วบัดนี้ปัญหาปรากฏแก่เรา ท่านทั้งหลายจงฟังปัญหานั้นบุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสันเสริญอันเป็นข้อความลับแก่ใครครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วเสน ก, กะคิดว่าเราจะให้พระราชาเข้าอยู่ในพวกเราด้วยจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระภูมิบาลพระองค์จงตรัสเปิดเผยแก่เราข้าพระองค์ก่อน พระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยงเป็นผู้ทรงอดทนต่อราชการณียอันหนักยงตรัสกนข้าแต่พระจอมประชากรเหล่าข้าพระองค์ผู้เป็นนักปราดทั้งห้าจักพิจารณาสิ่งที่พระองค์พอพระราชหฤทยัยและเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยแล้วกราบทูลภายหลังบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้ชุบเลี้ยงพัตตาความว่า พระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยงเหล่าข้าพระองค์และเป็นผู้ทรงอดทนต่อพระราชภารกิจที่เกิดขึ้นพอพระองค์โปรดตรัสข้อนั้นก่อนเถิดคําว่าสิ่งที่พระองค์พอพระราชหฤทยัยและเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยตะวะฉันทรุจีนิความว่าบัณฑิตห้าคนเหล่านั้นพิจารณาสิ่งที่พระองค์พอพระราชหฤทยัย และเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัยาศัยแล้วจะ ก, กราบทูลในภายหลังลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสคาถานี้ด้วยความผู้เป็นไปในอำนาจกิเลสของพระองค์ว่าภรรยาใดามีศีลาจจรวัตไม่ให้ผู้อื่นลักสัมผัสคล้อยตามอำนาจความพอใจของพัสดาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ สามีควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรนเสริญอันเป็นความลับแก่ภรรยาบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไม่ให้ผู้อื่นลักสัมผัสอานัญญะเถยาความว่าอันผู้อื่นไม่พึงจับต้องด้วยอำนาจกิเลสแต่นั้นเสนกะยินดีว่าบัดนี้เราทั้งหลายยังพระราชาให้เข้าในพวกเราได้แล้ว เมื่อจะแสดงเหตุการณ์ที่ตนทำไว้เองจึงกล่าวคาถานี้ว่าสหายใดเป็นที่ระลึกเป็นที่ถึงเป็นที่พึ่งของบุคคลพูดถึงความทุกข์เดือดร้อนอยู่บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสันเสริญอันเป็นความลับแก่สหายนั้นเถี่ยวลำดับนั้นพระราชาตรัสถามปุกกกุสะว่าแน่อาจารย์ปุกกกุสะ ท่านเห็นอย่างไรความลับของตนควรบอกแก่ใครปุกกุสะเมื่อจะกราบทูลจึงกล่าวคาถานี้ว่าพี่น้องชายใดผู้เป็นพี่ใหญ่หรือพี่กลางหรือน้องถ้าว่าพี่น้องชายนั้นตั้งอยู่ในศีลดํารงตนไว้ได้บุคคลควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรนเสริญอันเป็นความลับแก่พี่น้องชายนั้น บรรดาคำเหล่านั้นคําว่าดำรงตนไว้ได้ทิตัตโตความว่าดำรงสภาวะไว้ได้คือเป็นผู้มีการเสพผิดออกแล้วแต่นั้นพระราชาตรัสถามกามินทะว่าแน่อาจารย์กามินทะท่านเห็นอย่างไรความลับควรบอกแก่ใครกามินทะเมื่อจะกราบทูลจึงกล่าวคาถานี้ว่า บุตรใดดำเนินตามใจบิดาเป็นอนุชาตมีปัญญาไม่ซามกว่าบิดาบิดาควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสันเสริญอันเป็นความลับแก่บุตรนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าดําเนินตามปัตตคูได้แก่ผู้ทําตามถ้อยคําอธิบายว่าบุตรที่ทาตามใจของเรา คือเป็นไปในอำนาจจิตของบิดาเป็นผู้อดทนต่อโอวาทคำว่าเป็นอนุชาต์อนุชาโตความว่าบุตรมีสามประเภทคืออภิชาตหนึ่งอนุชาตหนึ่งอวชาตหนึ่งบุตรผู้ยังยศที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นชื่อว่าอภิชาติบุตรที่เป็นเชื้อสายของสกุลเป็นผู้ตัดวงสกุลทำทรัพย์ให้พินาฏ ชื่อว่าอาวชาติบุตรผู้รักษาแบบแผนของสกุลประเพณีของสกุลไว้ได้ชื่อว่าอนุชาต์อาจารย์กาหมินทะกล่าวอย่างนี้หมายถึงอนุชาต์บุตรนั้นแต่นั้นพระราชาตรถามเทวินทะว่าแนะ่อาจารย์เทวินทะท่านเห็นอย่างไรความลับควรบอกแก่ใคร เทวินทะเมื่อจะกราบทูลเหตุการณ์ที่ตนทำไว้จึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ประเสริฐที่สุดแห่งมนุษยนิกรมารดาใดเลี้ยงบุตรด้วยความพอใจรักใคร่บุตรควรเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเป็นความลับแก่มารดานั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ประเสริฐที่สุดแห่งมนุษยยานิกรทวิปทะชนินทะเศษฐะได้แก่จอมประชากรผู้ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ทั้งหลายคำว่าด้วยความพอใจรักใครชันทษสาปิเยนะได้แก่ด้วยความพอใจและด้วยความรัก พระราชาครั้นตรัสถามอาจารย์สี่คนเหล่านั้นซึ่งกล่าวต่อไปอย่างนี้แล้วจึงตรัสถามมโหสถบัณฑิตว่าเจ้าเห็นอย่างไรข้อบัณฑิตความลับควรบอกแก่ใครมโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลเหตุแห่งความลับจึงกล่าวคาถานี้ว่าการซ่อนความลับไว้นั่นแลเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีเลย บุคคลผู้มีปรีชาเมื่อความปรารถนายังไม่สําเร็จก็พึงกลั้นไว้เมื่อความปรารถนาสําเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบายบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ายังไม่สําเร็จอนิพันนายะความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าสิ่งที่ตนปรารถนายังไม่สําเร็จเพียงใดบัณฑิตพึงอดกลั้นไว้ไม่พึงแจ้งแก่ใครๆเพียงนั้น เมื่อมโหสถบัณฑิตกราบทูลอย่างนี้แล้วพระราชาทรงเสียพระไทยเสนกะและดูพระพักพระราชาพระราชาก็ทอดพระเนตรหน้าเสนกะมะโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาแห่งเซนกะและพระราชาก็รู้ว่าอาจารย์ทั้งสี่นี้ได้ยุยงในระหว่างเราและพระราชาไว้ก่อนแล้วพระราชาตรัสถามปัญหาเพื่อทดลองเรา เมื่อพระราชาและราชบริษัทเจรจากันอยู่ดวงอาทิตย์อัสดงคตเจ้าหน้าที่ตามประทีปมโหสดดำริว่าขึ้นชื่อว่าราชการเป็นของหนักย่อมไม่ปรากฏใครจะรู้เรื่องอะไรจะเกิดเราควรรีบกลับเสียกนดำริชนี้จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาออกไปคิดว่า ผู้ <Billie S 2> หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่สหายผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่พี่น้องชายผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่บุตรผู้หนึ่งกล่าวว่าควรบอกความลับแก่มารดาเราสําคัญว่ากิจนี้จะเป็นกิจที่คนเหล่านี้ได้ทําแล้วแน่คนเหล่านี้คงกล่าวถึงกิจทีท่ ต, ต<อ>นเห <todas S 2> <ล>็นแล้วจงยกไว้เถิด เราจักรู้เหตุนี้ในวันนี้ฝ่ราชบัณฑิตทั้งสี่ออกจากราชสำนักแล้วในวันอื่นๆเคยนั่งที่หลังถังข้าวถังหนึ่งใกล้ประตูพระราชนิเวศปรึกษากันถึงกรณีกิจแล้วจึงกลับไปบ้านเพราะเหตุนั้นมโหสถจึงดําริว่าวันนี้เรานอนอยู่ภายใต้ถังข้าวก็สามารถจะรู้ความลับของอาจารย์ทั้งสี่นั้น จึงให้คนใช้ยกถังข้าวนั้นแล้วให้ลาดเครื่องลาดแล้วเข้าอยู่ภายใต้ถังข้าวนั้นแล้วให้สัญญาแก่คนใช้ว่าในเมื่ออาจารย์ทั้งสี่มานั่งปรึกษากันลุกไปแล้วพวกเจ้าจงมานำเราออกคนใช้เหล่านั้นรับคำสั่งแล้วหลีกไปไปอาจารย์เสนกะทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อข่าพระบาทหรือ บัดนี้ข้อความนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระราชาทรงสดับคำของพวกอาจารย์ผู้ยุยงก็หาได้ทรงพิจารณาไม่เป็นผู้ทั้งกลัวทั้งตกพระหฤทยัยจึงตรัสถามว่าแน่ท่านเสนกะบัณฑิตบัดนี้เราจะทำประการไรเสนกะจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชจจา ควรที่พระองค์จะไม่ชักช้าอย่าทันให้มโหสถรู้ตัวแล้วค่าเสียพระราชาตรัสว่าแน่อาจารย์เสนกะยกท่านเสียแล้วคนอื่นชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ความเจริญแก่เราย่อมไม่มีท่านจงชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ภายในประตูเมื่อมโหสถบุตรคฤหบดีมาสู่ราชสำนักแต่เช้า จงตัดศีรษะเสียด้วยพระแสงขันดำรัดสั่งชนี้แล้วพระราชทานพระแสงขันรัตนะที่ทรงอาจารย์ทั้งสีนั้นกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าข่าขอพระองค์ย่าทรงเกรงกลัวเลยพวกข้าประบาทจากข้ามโหสดนั้นเสียให้จงได้ทูลชนี้แล้วออกมานั่งที่หลังถังข้าวรำพึงกันว่าพวกเราเห็นหลังปัจจามิตรแล้ว แต่นั้นเซนกะจึงเอ่ยขึ้นว่าใครจักฆ่ามโหสดอาจารย์ทั้งสามจึงตอบว่าท่านอาจารย์นั่นแลจักฆ่าได้แล้วทำกิจนั้นให้เป็นภาระของเซนกะนั้นผู้เดียวลำดับนั้นเซนกะจึงถามอาจารย์ทั้งสามว่าท่านทั้งสามกล่าวว่าชื่อว่าความลับควรบอกแกบุคคลชื่อโน้นชื่อโน้นดังนี้ กิดนั้นท่านทั้งสามได้ทำแล้วหรือเห็นแล้วหรือได้สดับแล้วอย่างไรลำดับนั้นอาจารย์ทั้งสามกล่าวกเกษนกะว่าข้าแต่อาจารย์กิจที่ท่านกล่าววา่าความลับควรบอกแก่สหายนั้นเป็นของปรากฏแล้วกิจนั้นท่านทำแล้วหรือเห็นแล้วหรือได้ฟังแล้วอย่างไรเล่าเซนกะกล่าววา่ากิจนั้นเราได้ทาเอง อาจารย์ทั้งสามกล่าวว่าถ้าแต่อาจารย์ถ้ากระนั้นท่านจงกล่าวให้ทราบเสนนกะกล่าวว่าความลับนี้พระราชาทรงทราบแล้วชีวิตของเราจะไม่มีอาจารย์ทั้งสามกล่าวว่าถ้าแต่อาจารย์ท่านอย่า ก, กลัวเลยบุคคลผู้ทำลายความลับของเราทั้งหลายในที่นี้ไม่มีเพราะจงกล่าวให้ทราบเถิด เชนกะเอาเล็บเคาะถังข้าวว่ามโหสถอยู่ใต้ถังข้าวนี้กระมังอาจารย์ทั้งสามตอบว่ามโหสถเป็นคนเมาอิสริยยศคงไม่เข้าไปอยู่ในที่เช่นนี้บัดนี้จักเป็นคนเมายิ่งด้วยยศท่านเห็นซึ้งไปได้ฝ่ายเชนกะเมื่อจะบอกความลับของตนจึงกล่าวว่า ท่านทั้งสามรู้จักหญิงแพทย์สยาชื่อโน้นในนครนี้หรืออาจารย์ทั้งสามตอบว่าข้าพเจ้าทั้งสามทราบเสนกะจึงถามอาจารย์ทั้งสามว่าบัดนี้นางคนนั้นยังปรากฏอยู่หรือหายไปอาจารย์ทั้งสามตอบว่าไม่พบเลยท่านอาจารย์เสนกะจึงแจ้งว่า เราทำกิจของบุรุษกับด้วยนางคนนั้นในสวนไม้รังแล้วยังนางคนนั้นให้ตายด้วยโลภในเครื่องประดับแล้วนําเครื่องประดับของนางนั้นมาห่อด้วยผ้าสาดกแล้วแขวนไว้บนไม้รูปเหมือนงาช้างในห้องเรือนของเราเรายังไม่อาจจะใช้เครื่องประดับนั้นเห็นความที่เครื่องประดับนั้นเป็นของเก่าเราทำความผิดพระราชกาหนดอย่างนี้ ได้บอกแกสหายคนหนึ่งสหายคนนั้นมิได้บอกแกใครโดยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าเราได้บอกความลับแกสหายมโหสดเริ่มตั้งใจกำหนดความลับของเสนกะไว้เป็นอย่างดีฝ่ายปุกะกุสะเมื่อจะบอกความลับของตนจึงกล่าวว่าโรคเรื้อนมีที่ขาของข้าพเจ้าน้องชายน้อยของข้าพเจ้าเท่านั้นรู้ ข้าพเจ้าไม่ให้ใครๆรู้ชําระแผลนั้นทายาพันผ้าทับแผลพระราชามีพระหฤทัยกรุณาในข้าพเจ้าตรัสเรียกข้าพเจ้าว่าปุกะกุสะจงมาแล้วบรรทมที่ขาของข้าพเจ้าบ่อยๆก็ท่าราชาทรงทราบเรื่องนี้พึงประหารชีวิตข้าพเจ้ายกน้องชายน้อยคนนั้นของข้าพเจ้าเสีย คนอื่นไม่รู้เลยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่น้องชายน้อยพายการมินทะเมื่อจะแสดงความลับของตนจึงกล่าวว่าในวันอุโบสถข้างแรมยักชื่อนระเทวะมาสิงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ร้องดุดสุนัขบ้าร้องข้าพเจ้าได้แจ้งเนื้อความนี้แก่บุตร บุตรของข้าพเจ้ารู้ว่ายักมาสิงข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้านอนในห้องข้างในปิดประตูออกไปให้มีมหรสพที่ประตูเพื่อกลบเสียงของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่บุตรแต่นั้นอาจารย์ทั้งสามจึงถามเทวินทะเทวินทะเมื่อจะกล่าวความลับของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเมื่อทำการขัดสีแก้วมณีได้รักแก้วมณีเป็นมงคลเป็นที่เข้าอยู่แห่งสิริเป็นของหลวงซึ่งเท้าศักกะเทวราชประธานพระเจ้ากุศราชไว้มาให้มานดามานดานั้นไม่ให้ใครรู้ถึงเวลาข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระราชาก็ให้มงคลมณีรักแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังสิริให้อยู่ในตัวข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งมงคลมณีรัตน์นั้นจึงเข้าไปสู่ราชสำนักพระราชาไม่ตรัสแก่ท่านทั้งหลายตรัสกับข้าพเจ้าก่อนใครๆแล้วพระราชาทานกระหาปณะแปดกระหาปณะบ้าง16กรหาปณะบ้าง32สิบองกหาปณะบ้างหสบี่กหาปณะบ้างแก่ข้าพเจ้าเพื่อเป็นสเสบียงได้เลี้ยงชีพทุกวัน ถ้าพระราชาทรงทราบอนุภาพมณีรัตน์นั้นไซด์ชีวิตของข้าพเจ้าก็จะไม่รอดอยู่ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกความลับแก่มารดาพระมหาสัตว์ได้ทําความลับของอาจารย์ทั้งสี่ให้ประจักษ์ก็อาจารย์ทั้งสี่นั้นแจ้งความลับแก่กันและกันราวกับบุคคลผ่าอกของตนแผ่อวัยวะภายในออกมาภายนอก แล้วเตือนกันว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทมาช่วยกันข้ามโโหสดบุตรครหบดีแต่เช้ากำชับกันดังนี้แล้วต่างลุกขึ้นหลีกไปในการเมื่ออาจารย์ทั้งสี่ไปแล้วคนใช้ของมโหสดที่นัดหมายกันไว้ก็มายกถังข้าวพาพระมหาสัตว์ออกหลีกไป พระโพธิสัตว์กลับถึงเคหสถานอาบน้ำแต่งกายบริโภโคโชนาหารแล้วรู้ว่าวันนี้พระนางอุทุมพรเทวีผู้เชิดทะพันีของเราคงประทานข่าวมาแต่พระราชวังจึงวางบุรุษพิเศษไว้ที่ประตูสั่งว่าเจ้าจงให้คนมาแต่พระราชวังเข้ามาและบอกแก่เราโดยเร็ว ก็แลครั้นสั่งชะนั้นแล้วก็นอนณนะที่นอนมีสิริขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชบรรทมณนะที่บรรทมอันมีสิริทรงอนุสร์ถึงคุณของมโหสดว่ามโหสดบัณฑิตบำรุงเรามาตั้งแต่เขามีอายุได้เจ็ดปีไม่ได้ทำความเสียหายหน่อยหนึ่งแก่เราเมื่อเทวดาถามปัญหา ถ้าจักไม่มีมโหสดไยชีวิตของเราก็จะไม่พึงมีเรามาถือเอาคำของปัจจามิตรผู้มีเวรแล้วกล่าวสั่งว่าท่านทั้งหลายจงฆ่ามโหสดผู้มีธุระหาผู้เสมอมิได้ชนี้แล้วให้พระขันเป็นอันว่าเราทำสิ่งที่ไม่ควรทำบัดนี้แต่พรุ่งนี้ไปเราจักไม่ได้เห็นมโหสดอีก ทรงรำพึงชนีก็ยังความโศกให้เกิดขึ้นพระเศโทไหลโสมประกายพระราชานั้นเต็มไปด้วยความโศกก็ไม่ทรงได้ความผ่องใสแห่งพระมนัสพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จไปบรรทมร่วมกับพระราชสามีท้าพระเนรเห็นพระอาการของพระราชสามีทรงดำริว่าเป็นไนหนอความผิดอย่างไรของเรามีอยู่ หรือเหตุการณ์แห่งความโศกอย่างไรอื่นเกิดขึ้นแก่พระองค์เราจะทูลพระองค์ก่อนเมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถานี้ว่าถ้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์เป็นผู้มีพระมนตร์วิปริตไปอย่างไรหรือข้าแต่พระจอมประชากรข้าพระบาทจะฟังพระดำรัสข้อนั้นของพระองค์ พระองค์ทรงพระดำริอย่างไรหรือจึงทรงโทมนัสข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพความผิดของข้าพระบาทไม่มีเลยหรือพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระราชาตรัสคาถาตอบพระนางว่ามโหสถผู้มีปัญญาจะถูกฆ่าเพราะมะโหสถผู้มีปัญญาดังแผ่นดินเราสั่งบังคับเพื่อข่าแล้ว เราคิดถึงเรื่องนั้นจึงเป็นผู้โทมนัสแน่พระเทวีความผิดของเธอไม่มีเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเราสั่งบังคับอานัตโตเมความว่าแน่นางผู้เจริญบัณฑิตทั้งสี่บอกแกเราว่ามโหสถบัณฑิตเป็นศัตรูของเราเราไม่ได้พิจารณาโดยท่องแท้ สั่งฆ่ามโหสดผู้มีปัญญาดังแผ่นดินว่าพวกท่านจงฆ่าเขาเสียเมื่อเราคิดถึงการนั้นจึงมีความโทมนัสว่าเราตายเสียดีกว่ามโหสดบัณฑิตตาย